ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งใจที่จะทำสมาธิกันต่อไปในเบื้องต้นนี้ว่าตามตมาทุกคนทุกคนข้าพเจ้ า, าร ะ, าละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของขนโคพุทโธธรรมโมสังโฆ <c oughs> พุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดะมาติขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตา นึกพุโทโธในใจนี่เป็นวิธีนั่งสมาธิการทำสมาธิถือเป็นสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันย่อลงมาเหลือสาม คือสสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้ตาตรปิดกจึงมีสมาธิเป็นข้อหนึ่งในจำนวนสามข้อสินสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิจึงมีความสำคัญสำคัญเพราะอะไรเพราะว่า องสำเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อพระองค์จะได้ตัดสรู้พระองค์ก็ทรงมาทำสมาธิอยู่ภายใต้โคนโพพระองค์ได้ทรงเลือกหนทางซึ่งก็มีาศาสดาต่างๆเยอะแยะก็ไม่ใช่เป็นหนทางที่ถูกต้อง แม้พระองค์จะทรงทรมานกายด้วยวิธีการต่างๆคือทุกขระกิริยาก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้พระองค์ได้ทรงทรมานนั้นเป็นระยะเวลาถึงหกปีก็ไม่ได้ผลอะไรเมื่อพระองค์มานั่งสมาธิอยู่ใต้โคนโถเพียงวันเดียว พระองค์ก็ได้ตัดสู้พระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหนทางที่จะเดินต่อไปของการทำสมาธิจึงได้ชื่อว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องและเป็นหนทางที่สมควรแก่การ ที่พุทธบริษัทจะพึงเดินทางนี้เราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์นั้นไม่ใช่ว่าพระองค์จะมาทำเพียงชั่วโมงเดียวหรือวันเดียวนั้นได้สำเร็จแต่ว่าอดีตพระองค์ได้ทรงบําเพ็ญพระบารมีซึ่งในแต่ละชาตินั้น พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญสมาธิตลอดมานับเป็นเวลาถึงสี่อสงไขยแสนกับสมาธิเหล่านั้นได้สะสมอยู่ภายในจิตของพระองค์จนกระทั่งเป็นการพอเพียงแห่งความต้องการเมื่อพระองค์ตรัสรู้อนุตตละสมาสัมปทิยานั้น พระองค์ก็ได้ทรงพบว่าทุกๆคนในโลกนี้ก็สามารถที่จะเดินตามทางนี้ไปได้ไม่ได้ยกเว้นคือไม่ยกเว้นแม้แต่หนึ่งคนทุกคนในโลกนี้สามารถที่จะเดินทางนี้ได้ในเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พบเห็นความจริง พระองค์จึงได้ทรงประกาศเมื่อพระองค์จะประกาศนั้นพระองค์ก็ได้ทรงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ต่างๆว่าจะพิจารณาให้บุคคลผู้ใดหรือว่าพวกใดคณะใดาที่จะมารับคำส่งสอนอันดับแรกอันดับรองและอันดับต่อไป นี่พระองค์พิจารณาสิ่งที่เป็นไปได้พระองค์ไม่ได้พิจารณาหรือว่าให้บุคคล น, นั้นพากันทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเรีย ก, กว่าเหลือวิสัยพระองค์ไม่ได้ทรงสแสดงทมเช่นนั้นแต่พระองค์ทรงสแสดงทำในสิ่งที่เป็นวิสัยหรือเรีย ก, กว่าเป็นไปได้ เราท่านทั้งหลายไม่ได้มีการยกเว้นแม้แต่หนึ่งคนสามารถที่จะมาบำเพ็ญในพระพุทธศาสนาได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครเป็นชาติใดภาษาใดเป็นหญิงเป็นชายหรือจะเป็นผู้มียศถาบรรดาศักด หรือจะเป็นคนธรรมดาหรือจะเป็นยาจกก็สามารถทำได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหนทางแห่งการเดินไปของสมาธิจึงเป็นหนทางที่ราบเตียนและเป็นหนทางที่จะเข้าสู่การบรรลุได้ในที่สุดแม้ว่าในเบื้องตน้น เราอาจจะยังพึ่งจะได้ทำหรือว่าพึ่งจะเกิดขึ้นแก่เราหรือพึ่งที่จะได้บาเพ็ญอันนั้นก็ยกไว้เมื่อบาเพ็ญไปบาเพ็ญไปในที่สุดถึงที่สุดนั่นคือการบรรลุพร ะ, ะไรเพราะว่าในพระพุทธศาสนานี้มีสิ่งพิเศษ ที่เราติดหูติดตาติดใจกันอยู่ตลอดนั่นก็คือเราพาการรู้ว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาแม้แต่ก่อนคนแก่คนเฒ่าเมื่อมีอะไรตกใจขึ้นมาก็บอกว่าทุกขังอนิจจังอนัตตามีอะไรตกใจขึ้นมาก็ทุกขังอนิจจังอนัตตาอะไรต่างๆเหล่านี้ คำนี้ไม่ใช่เป็นคำธรรมดาถ้าแม้นว่าไม่ใช่ความตัดสรุของพระพุทธเจ้าแล้วคำทั้งสามนี้จะไม่ปรากฏในคำสั่งสอนใดๆเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาของเราหรือเรียกว่าชาวพุทธจึงมีโชคดีแล้วก็มีความ ที่จะได้รับผลดีก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาเมื่อเราพากันทําสมาธิไปเมื่อทําไปทําไปแล้วเราก็ปลงเขาเรียกว่าปรงกรรมาฐานเรียกว่าปลงทุกขังอนิจจังอนัตตาอันนี้เมื่อเรามีทุกขังอนิจจังอนัตตาเรียกว่ามีอาวุธ หรือว่ามีสิ่งที่วิเศษถ้าเป็นอาวุธก็เรียกว่าอาวุธวิเศษซึ่งเป็นอาวุธที่จะเข้าห้าหันฆ่าศึกสัตรูคือกิเลสเพราะอะไรเพราะว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานั้นเป็นวิปัสสนาหรือเรียกว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์ เมื่อเราได้คำนี้ไว้ก่อนก็เท่ากับว่าเราได้อาวุธไว้ก่อนถึงเวลาได้เวลาเราจับอาวุธออกมาได้ถ้าเราไม่มีอาวุธถึงมีกําลังวังชาเพียงแค่ไหนเราก็สู้เขาไม่ได้เมื่อเราไม่มีอาวุธจะมีกําลังใหญ่โต สามารถแบกหามอะไรได้แต่มันก็สู้คนที่เขามีอาวุธไม่ได้มีกําลังมากไม่สามารถที่จะไปสู้ได้ก็เรียกว่ามีกําลังมากไว้เปล่าก็เรียกว่าตายเปล่าเพราะฉะนั้นทุกขังอนิจจังอพพานตาจึงได้ชื่อว่าเป็นอาวุธสําคัญ แล้วก็เป็นข้อความที่มีความสำคัญแล้วก็มีอยู่ในจิตใจของชาวพุทธทุกคนไม่ว่าชาวพุทธนั่นจะเป็นชาติใดภาษาใดเมื่อพูดถึงทุกครั้งอันนี้จังอนานันตาแล้วก็จะรู้ด้วยกันทั้งนั้นว่านั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีอาวุธอยู่แล้วหมายความว่า มีข้อความที่มีความสำคัญอยู่แล้วในขณะที่เราพากันบำเพ็ญสมาธิที่เราพากันเกิดทำไปทุกวันทุกวันนั่นหมายความว่าเราสะสมกำลังสะสมกำลังของเราการสะสมกำลังของเรานั้นมันยังไม่ถึงจุดหรือเรียกว่ายังอยู่อีกเยอะ ที่เราจะต้องสะสมกำลังอันนี้แต่ถ้าหากว่าเราสะสมกำลังไว้แล้วแต่ไม่มีทุกขังอ น, นิจังอนัตตาการสะสมกำลังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสะสมกำลังไว้เปล่าเหมือนกันกับพวกฤาษีต่างๆที่ได้พากันสะสมกำลังแห่งสมาธิ เขาก็ได้ฌานได้สมาบัติแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่มีอาวุธคือทุกขังอนิจังอนัตตาเขาก็ตายเปล่าเหมือน ก, นกันกับดาบททั้งสองลลดาบทกาลามโคตอุทธกะดาบทรามบุตรทั้งสองนั้นพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเรา เคยไปศึกษาแต่ก็พระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกจริงพระองค์ก็ปลีกตัวออกมาเมื่อพระองค์มาตัดสู้ซึ่งทุกขังอนิจจังอนัตตานี้แล้วพระองค์ก็หวนกับคืนพิจารณาถึงดาวบททั้งสองสมควรแก่การที่จะ รับทุกขงังอนิจจงอนัตตานี้ได้แต่ว่าดาบ ท, ทั้งสองได้ตายไปเสียแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นอันว่าตายเปล่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดาบ ท, ทั้งสองนั้นได้ชิบหายเสียแล้วจากคุณอันใหญ่กระแสดงว่าฌานสมาบัตเหล่านั้นไม่ใช่คุณอันใหญ่ คุณอันใหญ่ก็คือการดำเนินทุกขังอนิจจังอนัตตานี่เองจึงเรียกว่าคุณอันใหญ่เพราะฉะนั้นคุณอันใหญ่อันนี้ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นสิ่งที่สูงและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมีค่าสูงสุดแต่ก็อยู่ในกา ม, มือของพวกเราแล้วทุกคนใครบ้าง ที่จะไม่รู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตตารู้กันหมดทุกคนเรีย ก, กว่าเตรียมพร้อมเอาไว้อันนี้เรีย ก, กว่าเตรียมพร้อมเอาไว้แต่เมื่อถึงเรายังไม่ใช้คือยังไม่ถึงการเวลาที่จะใช้ก็เก็บเอาไว้ก่อนเราก็ทาสมาธิไปเรื่อยเรื่อยเมื่อได้เวลาการแห่งการที่จะใช้ เรานำออกมาใช้มันก็ไม่ต้องไปคอยหรือไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะต้องไปค้นหากันทำไมจึงว่าทุกขังอนิจจังอ น, นัตตานั้นมีความสาคัญเพราะว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานั้นแสดงถึงสั ญ, ญลักษณ์สั ญ, ญลักษณ์แห่งความเป็นจริงสั ญ, ญลักษณ์แห่งความเป็นจริงนั้น ทุกขังได้แก่วความทุกข์อันนี้จังได้แก่วความไม่เที่ยงอนัตตาได้แก่วความไม่ใช่ตัวตนทุกขังนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์เมื่อเราแก่ลงไปเป็นทุกข์เมื่อเราเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์เมื่อเราจ ะ, จะต้องตายเป็นทุกข์นี่เกิดแก่เจ็บตายคือกองทุกข์ ทุกข์ด้วยความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้รำไรรำพันขับแทนแน่นใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาพ้าดพราจากของรักของชอบใจนี่ก็มีอยู่เป็นประจำในในชีวิตของเราที่จะต้องพบมันอยู่ทุกวันทุกวัน อย่างนี้เรียกว่าตัวทุกข์ในข้อต่อไปก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคือความคือความแปรสภาพเราถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนแต่หารู้ไม่ว่าร่างกายนี้คือธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ทำคล่าทำกลางสลายตัวไปในที่สุดการสลายตัวนั้นจะสลายเมื่อไรไม่รู้จึงเรียกว่าอ น, นิจจังตาก็เป็นอ น, นิจจังหูก็เป็นอ น, นิจจังจมูกก็เป็นอ น, นิจจังกายก็เป็นอ น, นิจจังอ น, นิจจังคือความแปรสภาพความไม่เที่ยงตาฟา ฟ, าฟางลงไปหูหนวกลงไป จะหมูของเราร้อยหลอลงไปร่างกายของเราเหีียวย่นลงไปอย่างนี้เรียกว่าอนิจังนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการผูกรกรนโรคด้วยโรคภัยไข้เจ็บจึงเรียกว่าเป็นอนิจังในที่สุดเราพากันมองเห็นหน้ากันอยู่อ้าวตายไปซะแล้ว อย่างนี้เรียกว่าอานิจจังและข้อต่อไปคืออนัตตาอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนความไม่ใช่ตัวตนนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายอันนี้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา มันไม่ได้อยู่ในอำนาจก็หมายความว่าเราบอกว่าแกอย่าแก่นะมันก็ไม่ฟังแกอย่าตายนะมันก็ไม่ฟังแกอย่าเป็นโรคไข้ไข้เจ็บนะมันก็ไม่ฟังมันไม่ยอมฟังเราทั้งนั้นตาจะบอดหูจะหกแขนจะขาดตัวจะตาย มันไม่ได้ยอมมันไม่ได้ยอมอยู่ภายใต้อานัตของเราคือหมายถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าอนัตตาอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนในสามประการคือในทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีในทุกข์ก็ดีในความไม่เที่ยงก็ดี ในความไม่ใช่ตัวตนก็ดีทั้งหมดเหล่านี้ทาอย่างไรมันถึงจะเป็นประโยชน์กับเราเราจะไปนั่งทุกร้อนอยู่ว่ามันจะแก่ก็ไม่ถูกต้องเราจะไปนั่งทุกขร้อนว่าเราก็จะต้องตายมันก็ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องการเท่พระพุทธเจ้าตรัสถึง ทุกขังอนิจจังอนัตตาว่าสําคัญนั้นหมายถึงว่าทําให้ปรากฏคือทําให้ปรากฏแก่ใจในใจของเรานี้ถ้าหากว่าจิตไม่เป็นสมาธิก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นถึงความทุกข์เหล่านี้ได้จิตเป็นสมาธิอย่างต่ําๆก็ไม่สามารถที่จะ มองเห็นความทุกขเหล่านี้ได้จิตนั้นจะต้องอยู่ในภาวะสูงมีกําลังแข็งแรงเต็มที่จึงจะสามารถพิจารณาตามความเป็นจริงให้ปรากฏได้คือทําให้เกิดทําให้เกิดประโยชน์การเกิดประโยชน์นั้นคือการทําความทุก์นี้ให้ปรากฏ ทำความอ».ไม่เที่ยงนี้ให้ปรากฏทำความไม่ใช่ตัวตนนี้ให้ปรากฏที่เราไม่ปรากฏทุกวันนี้หรือในขณะนี้ก็เพราะเหตุกำลังของจิตใจของเรานั้นยังไม่เข้าขั้นหรือยังไม่ถึงขั้นอย่างเรามองไปที่รูปอย่างนี้เราจะมองว่ามันไม่เที่ยง มันมองไม่ได้ถ้าเรามองมันก็เกิดความสวยงามเกิดความรักเกิดความชอบอย่างนี้เรียกว่าจิตมันเป็นปุถุชนหรือเรียกว่าเป็นจิตที่อยู่ในขั้นต่ำธรรมดาเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่มีสมาธิอยู่ในขั้นต่ำธรรมดานี้จึงต้องมองเห็น รูปอันนี้ว่าเป็นของสวยงามเป็นสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนานี่คือจิตธรรมดาเรียกว่าจิตบุทุชนที่เป็นเช่นนี้คือจิตบูทุชนเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝนไดยสามารถแห่งสมาธิ จิตนี้ก็จะละเอียดเมื่อละเอียดแล้วก็มองถึงความเป็นจริงได้มองความเป็นจริงนั่นก็คือมองเห็นในร่างกายอันนี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาแต่ก็ได้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนา แต่ว่ามันเป็นธาตุทั้งสี่เท่านั้นนี่คือจิตที่มีกำลังหรือเรีย ก, กว่าจิตเลื่อนจากปุตุชนขึ้นมาเป็นกัลยาณชนแล้วเรีย ก, กว่าจิตเลื่อนชั้นการเลื่อนชั้นของจิตนั้นไม่ใช่คิดเอาหรือไม่ใช่เพียงแต่ว่าว่าจะให้มันเป็น แต่ว่ามันจะต้องเป็นด้วยอํานาจพลังของจิตที่มีความสามารถถึงจะเป็นตามความเป็นจริงได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าจิตอันนี้ประกอบไปด้วยกิเลสกิเลสนี่มันเป็นเรื่องใหญ่และมันก็บังคับบัญชาใจของเราอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะก้าวย่างไปในสถานที่ใด กิเลสมันจะต้องควบคุมตัวของเราอยู่ตลอดไปมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่จะมองดูรูปมันก็จะต้องเกิดความรักความชอบใจมันเป็นเช่นนั้นเพราะว่ากิเลสมันเป็นตัวควบคุมอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเกิดความ เรียกว่าเกิดความมีสมาธิขึ้นมาในตนของตอนจิตนี้ได้เลื่อนชั้นจากกันจากถูดถุชนมากันระยานชนแล้วกำลังของจิตก็สามารถพิจารณาตามความเป็นจริงเพราะว่าตามความเป็นจริงนั้นมันเป็นธาตุน้ำธาตุดินลมไฟจริงๆคนเราเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำ ดินลมไฟจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะมาโกหกกันเล่นหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าเราจะมาหลอกลวงกันเล่นที่จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีกาลังเมื่อใดเราก็พิจารณาเมื่อนั้นเมื่อเราพิจารณาไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น พิจารณาแล้วมันก็เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นมาถ้านิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้เมื่อไรเมื่อนั้นเราก็ถือว่าจิตของเราเข้าขัน้นเลีย ก, กวดจะเลยจากกัลยาณชนจนที่จะเป็นอริยชนต่อไป เพราะฉะนั้นการที่พวกเราทำสมาธิจึงเป็นหนทางเรีย ก, กว่าหนทางเดินที่ลาบเตียนหรือเป็นหนทางที่จะเข้าสู่ในที่ที่จะบรรลุในเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาผู้ที่ทำสมาธิ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นาการที่จะเดินทางไปสู่ทางบรรลุนั้นของเขายังห่างไกลเดี๋ยวเรียกว่ายังไกลามากที่สุดมีเยอะแยะในการที่เขาจะนำเอาเรื่องสมาธินี้ไปทำสารพัดที่เขาทำกันทั่วโลกแต่ว่า สมาธิเหล่านั้นเขาก็ทำเพียงเพื่อใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์เพียงเพื่อชั่วคราวใช้ประโยชน์ในด้านความเป็นอยู่ใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาใช้ประโยชน์ในด้านที่จะให้คนอื่นๆแหายกย่ อ, ยอ ง, อ ง, องสรรเสริญเป็นต้น ลาวนี้ไม่มีทุกขังไม่มีอนิจจังไม่มีอนัตตาไม่มีเลยมีแต่ว่าทำสมาธิกันเรื่อยไปทำสมาธิกันเรื่อยไปที่สุดถึงที่สุดมันก็เป็นอรูปฌานไปเท่านั้นเองเรียกว่าไม่มีคือไม่มีไม่มีวิปัสสนา หรือไม่มีสิ่งที่สำคัญคือทุกขังอนิจจงอนัตตานี้เพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับการที่พวกเราทั้งหลายมีความตั้งใจที่แน่วแน่ในการต่อสู้ต่อสู้ในชีวิตชีวิตนี้แปลว่าการต่อสู้แต่เราได้เป็นชาวพุทธ เราต่อสู้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเราก็สามารถได้ประโยชน์มากกว่ามากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธเพราะสิ่งวิเศษความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสิ่งวิเศษมันมีอยู่พร้อมเพรียงคือมีอยู่พร้อมเพรียงในพระพุทธศาสนา ที่พวกเราจะพากันทำทำให้เกิดขึ้นอย่างสมา ะ, ะหรือการทำสมาธิพระพุทธองค์ก็แนะเอาไว้ทุกอย่างจะเป็นคณิกะสมาธิจะเป็นอุปจารสมาธิจะเป็นอปปนาสมาธิจะเป็นปฐมะชานุา ต, ติยชันปติยชันจตุทชานก็ทรงแสดง อาการสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิจัญญายตนะแนวสัญญานาสัญญายตนะพระองค์ก็ได้ทรงแสดงเอาไว้คือแสดงเอาไว้หมดนี่เรื่องของสมถะแสดงไว้หมดและวิปัสสนาก็แสดงไว้หมดซึ่ง่าจะเป็นวิปัสสนาญาณเก้านิพพิธญาณ มุนจิตุกามยะตายานนิพพิทายานเป็นต้นก็มีอยู่ทั้งหมดเรียกว่าเพียบพร้อมพร้อมทุกอย่างเมื่อพร้อมทุกอย่างก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถบำเพ็ญการพร้อมทุกอย่างของพุทธศาสนานี้ ด้วยความสามารถของเราอย่างไรบ้างนี่เป็นเรื่องที่ตัวของเราจะพึงกระทำขนทางที่จะบรรลุนั้นมองเห็นอยู่แล้วคือหมายความว่าไม่ใช่ว่า ม, มืดมิดคือมองเห็นมองเห็นหมดหมายความว่ามองเห็นทุกประการ เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการลำบากของพวกเราแต่อย่างใดอย่างที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นกว่าแต่ที่พระองค์จะได้ตัดสร้นั้นพระองค์ต้องลำบากเพราะตอนนั้นมองยังไม่เห็นพระองค์มองยังไม่ทันเห็นต้องแสวงหาเรีย ก, กว่ามืดมน ไปทุกผลทุกแห่งต่อเมื่อพระองค์มาตัดสรุ้แล้วคราวนี้ก็เรียกว่าได้พบเมื่อได้พบแล้วท่านพระพุทธเจ้าก็ได้วางทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะรับประทานไม่ต้องไปทำที่ไหนเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเป็นเช่นนี้ ก็ไม่ควรเลยที่เราจะทิ้งโอกาสอันนี้เสียเที่ยวไปหาทางโน้นเที่ยวไปหาทางนี้บ้าบ้าอ๋อมีเยอะเยอะแย ะ, ยะพวกที่เป็นชาวพุทธนะ่ะอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยดีเยอะแยะแต่ก็บ้าบ่าบ่พากันไปหาสมาธิจากที่นู้นบ้างที่นี้บ้าง บางทีก็เห่อฝรั่งอะไรอย่างนี้พอเข้ามาตั้งก็พากันไปทำทำเพื่อเพื่อที่จะเอาชื่อเอาเสียงบ้างหรือว่าไปเสียงเงินในเขาซะด้วยอย่างนี้เป็นต้นมีย่อแย่ไปนี่เรียกว่าบ่าบ่าวบอไม่เข้าใจข้อแท้ จ, จริงแท้ที่จริงแล้วของเราดีที่สุด คือพุทธศาสานาดีที่สุดที่อื่นๆเรื่องของการทำสมาธินั่นเป็นอันว่าเทียบไม่ได้ว่าแต่ว่าเรามีศรัทธาแต่แล้วกันหากันมาปฏิบัติเพราะเหตุการที่เรากระทำแล้วก็คือผลที่เกิดขึ้นเราก็ปรากฏเห็นอยู่แล้วว่า พระอรหันตอรหันต์ต่างๆยังมีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ยังมีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้อย่างพร้อมคือเรียกว่าพร้อมมูลบริบูรณ์พร้อมแล้วคือหมายความว่าพร้อมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราจงพากันมีความตั้งใจที่แน่วแน่ ศึกษาในพระพุทธศาสนาการศึกษานั้นก็คือการปฏิบัติให้เกิดขึ้นเพียงแต่จะศึกษานั้นมันไม่ได้ผลดอกต้องปฏิบัติถึงจะได้ผลเหมือนกันกับเราเขียนกวางกอวอสระอางอสกดจะเรียกวัวกวาง แล้วมันอะไรล่ะนนะมีกวางสักตัวไหมก็ไม่มีเขียนลงไปเป็นกวางแต่ก็ไม่ได้กินกวางนี่เขาเรียกว่าปริยัติคือเพียงแต่ว่าเรียนเรียนในแผนที่หรือเขียนว่าอีหรือเขียนว่านกน ก, ก็เรีย ก, กว่านกแต่ก็ไม่มีนกสักตัว หรือเขียนว่าเงินสระเององอูสระอินอสะกดเงินแต่ก็ไม่มีซักสตางแดงเดียวไม่มีเลยนั่นเขาเรียกว่าปริยัติแต่ทีนี้คนที่เขาปฏิบัตินั่นน่ะเขาก็เก็บเงินนั่นน่ะจะเป็นร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทล้านบาทกี่ร้อยล้านบาทก็แล้วแต่ เขาก็เก็บมาใส่กระเป๋าเขาไว้แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปพูดว่สระเององูสระอินอนหนูแต่ว่าเขามีเต็มกระเป๋าซะแล้วแต่คนที่พูดว่ า, เ, าเงินเงินแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษสระเององูสระอินอนหนูแต่ก็ไม่ได้สักแดง นั่นแหละคือปริยัติเรียนกันไปถึงเก้าประโยค์ก็ยังไม่ได้อะไรเมื่อคราวเทีเ่หลวงปู่มั่นยังมีชีวิตไปรเรียนเก้าประโยค์ไปอาศัยปฏิบัติกับท่านอย่างนี้ก็แล้วกันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นส่วนความจริงมันเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนที่เราจะเขียนเอาที่เป็นพระไตรปิฎกมันก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันกับที่เราพูดบอกว่าฌานเราก็ชอดก็ช อ, ก, ชอกระเชอสระอานอ น, นูสะกดก็เรียกว่าฌานแต่เขาจะได้ไมล่ละฌานนั่นน่ะมันก็ไม่ได้ต้องมานั่งสมาธิเอาเขียนลงไปในกระดาษพูดก็ปากไม่สาเร็จ เหมือนกันกันกบปฐมฌานมีองค์ห้ามีองค์ห้าก็คือปีติสุขเอกคตาปฐมฌานมีองค์ห้าเราก็ว่าอยู่นั่นแหละวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้ววิตกวิจารวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจ้าแล้วก็เขียนลงไปแล้วก็พูดเข้าไป แล้วมันจะได้อะไรถ้าหากว่าพูดวิตกวิจารปีติสุเกกัคตาจังจะตั้งตายสมาธิก็ไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าเราจะทำานึกอพุโทโธทำจิตให้สงบเป็นแล้วอธมะฌานเกิดขึ้นกับคนนั้นแล้วเอกกคตตาเกิดขึ้นกับคนนั้นแล้วปีติเกิดขึ้นกับคนนั้นแล้วนั่นตั้งหากเล่าที่เรีย ก, กว่าความจริง เพราะฉะนั้นคนโง่เท่านั้นที่จะไปหเห็นเงินในกระดาษสระเององูสระอีนอนหนูแล้วก็จับเอามาโอบ ก, กอดเอาไว้แหมดีใจเหลือเกินว่าฉันได้เงินแล้วแท้ที่จริงนั้นมันกอดกระดาษมันไม่ได้อะไรหรอกสำหรับผู้ที่ปฏิบัติ ได้เงินเต็มกระเป๋าเขาหัวเลาะจะตายว่าคนที่ไปกอดกระดาษเอางองูตัวเงินมันมากอดอยู่นั่นน่ะมันเป็นยังไงข้อนี้อุปมาฉันใดป ร, ริยัตปฏิบัติก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะเอามาเขียนให้มันเป็นประโยชน์ถ้าเขียนเราก็เขียนพระ阿拉หันจะเป็นไรเขียนว่าพระ阿拉หัน แล้วเราก็เอาพาระาอารหันต์มากอดไว้แล้วก็ได้สำเร็จพาระาอารหันต์มันก็ง่ายดีแต่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องปฏิบัติมันต้องทำเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้จึงมีธุระอยู่สองธุระคือคันธะธุระและวิปัสนาธุระคันธะธุระนั้นเหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสแก ท่านพระโปทิละพระโปธิละนั่นน่ะทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกจำได้มดแปดหมด 80, 000, ม่นส0 0พันธรรมขันเดินผ่านพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้โมคะปุริโสเรียวกว่า บ, บุรุษเปล่าไม่มีอะไรมันเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่จะมีนั้นก็คือสามเณรเล็กอายุได้เจ็ดขวบ ได้สำเร็จเป็นพระอาราหันต์พระโปธิละก็ไปขอเรียนกับสามเณรสามเณรก็บอกว่ามีหัวปลวกอยู่ปลวกหนึ่งมีรูอยู่เจ็ดรูไอมีรูอยู่หกรูแล้วก็อุดสห้ารูยังเหลือหนึ่งรูขุดเข้าไปเจอเฮี้ยให้ฆ่าเสียเท่านั้นเองท่านพระโปธิละก็ได้สำเร็จเป็นพระอาราหารันต์ แล้วทีนี้ก็ไม่ได้เป็นโมฆะบุรุษเหมือนเก่าแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเรานี่แหละมันประเสริฐ ด, ดีกว่าสิ่งอื่นๆทั้งหมดจงพากันตั้งใจแระทำและปฏิบัติไปเถิดเพราะว่าหนทางราบเตียนนักในการที่จะเดินทางสมาธิของเราไป สู่จุดที่หมายปลายทางคือการบรรลุต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันต่อไป